วันนี้รู้สึกยินดีนะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้ประธรรมมาให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินชีวิตไปกับการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็อยากจะขออนุโมทนากับทุกๆ ท, ท่านที่สนใจมาฟังธรรมะเพราะว่า ไปพูดธรรมะแต่ละแห่งก็มักจะมีแต่ผู้สูงอายุสูงวัยเป็นบุคคลที่ไม่มีแรงที่จะทำความผิดแล้วแต่มาวันนี้นี่รู้สึกยินดีนะที่มีผู้ฟังอายุน้อยๆ อ, อันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในวัยวัยแปลว่าอายุหรือความเสื่อมนี่แหละ ไม่ประมาทแม้แต่อายุน้อยก็มาสนใจฟังธรรมะแล้วก็เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและจะพูดถึงเรื่องปัญหาแล้วก็ปัญหาชีวิตก็ยังมีไม่มากแต่ก็กลับมาสนใจธรรมะนี่อันนี้ถือว่าเป็นปัญญาชนโดยธรรมดาแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องธรรมะเขามักจะมองคนที่มีความทุกข์คนที่มีปัญหาไม่มีทางแก้ไข คือคนที่มาสนใจธรรมะส่วนคนที่มีความสุขอยู่แล้วกลับมาสนใจธรรมะนี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่แหละคือผู้ที่มีปัญญาปัญญาชนแม้ว่ามีความสุขแล้วก็ยังไม่ประมาทมาตรัพตับฟังธรรมะนี่ถือว่าหาได้ยากชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีดูอย่างชีวิตของผมนี่เป็นต้นผมเองก็ไม่ คิดมาก่อนว่าจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในสภาพทิ่พิการอย่างนี้จากคนที่มีความสุขกลับกลายมามีความทุกข์ทันทีเลยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ก่อนนั้นก็ก็หาทางแก้ไขอยู่เมื่อมีความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่นิ่งนอนใจพยายามดิ้นรนที่จะเอาตัวเราออกจากความทุกข์ให้ได้อน้อยก็คิดแก้ไขทั้งด้านร่างกาย เมื่อมีปัญหาชีวิตลองอดทนสักก่อนอดทนสักระยะหนึ่งจิตเนี่ยมันเริ่มมีภูมิต้านทานใหม่ๆมันจะทนไม่ค่อยได้หรอกมันจะฟุ้งซ่านคิดไปหมดแต่พอเริ่มทนได้เนี่ยมันจะมีความคิดแบบใหม่ความคิดมันจะเดินไปทางที่ดีกว่าเก่าอย่างน้อยมันแยบคายมีอุบายที่จะหาทางออกจากความทุกข์ได้โดยสายความคิดมันเกิดคําถามแบบใหม่ ไอ้ความทุกข์เก่าๆที่เป็นอยู่เนี่ยมันลื ม, ลมไปชั่วขณะหนึ่งมันมาเจอความทุกข์ที่หาทางออกอันใหม่ร่างกายคือส่วนที่เรานั่งเนี่ยเรานั่งอย่างเี้ยคือร่างกายแต่จิตใจคือความรู้สึกนึกคิดอันเนี้ยสองอย่างประกอบเป็นหนึ่งชีวิตเพราะนั้นการศึกษาแบบใดก็ตามจะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าเราไม่ศึกษาชีวิตไปด้วยการศึกษาชีวิตเป็นวิชาเอก ที่จริงน่าจะต้องศึกษาก่อนได้ซ้ำไปเราอาจจะศึกษาหลายศาสตร์หลายขแขนงอาจจะศึกษาแพทยศาสตร์นิติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อันนั้นก็มีประโยชน์ศึกษาไปเถอะหลายขแขนงศึกษาได้แต่อย่าลืมศึกษาเรื่องชีวิตโดยอาศัยธรรมะนี่แหละเป็นการศึกษาชีวิตที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าการศึกษาภายนอกนั้นในศาสตร์ต่าง ก็เพื่อจะทําประโยชน์กับผู้อื่นแล้วก็ประกอบอาชีพเขาเรียกว่าเป็นวิชาหาข้าวกินประกอบอาชีพส่วนการศึกษาชีวิตศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นการศึกษาเรื่องความไม่มีความทุกข์ศึกษาเรื่องความดับทุกข์สองอย่างเนี่ยศึกษาชีวิตเพื่อให้จิตไม่เป็นทุกข์เอาไว้แก้ปัญหาชีวิตเราจะสังเกตว่าคนที่มีความรู้มากๆ เหรียนสูงสูงจบสูงสุดของการศึกษาเนี่ยเขาก็ยังมีความทุกข์อยู่นะยังนอนไม่หลับยังเครียดยังโลภยังโกรธยังหลงยังเป็นโรคจิตโรคประสาทยังฆ่าตัวตายก็มีอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องชีวิตยังไม่เข้าใจชีวิตจึงมีความรู้มากๆแต่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั้นไม่สม่าเสมอกัน แต่ถ้าเราศึกษาชีวิตด้วยเนี่ยมันช่วยกันทำงานทำดีเด่นแต่ก็เป็นการทำใจเป็นตัวไม่ให้เป็นทุกข์ด้วยมันจะคู่กันปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านแบ่งไว้สามขั้นปัญญาแปลว่าความรอบรู้หรือความรู้แจ้งท่านแบ่งไว้สามขั้นขั้นที่หนึ่งาเรียกว่าสุตตะมยะปัญญา สุตมยะปัญญาคือปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ดูเรียกเรื่อปัญญาในขั้นรู้จำรู้จักเป็นประโยชน์เอาไว้พูดคุยกันเอาไวต้ตอบคําถามเข้าใจได้ปัญญาขั้นต้นแต่ว่ายังดับทุกได้ไม่ตลอดจะสังเกตว่าเช่นเราเข้าใจว่าความโกรธเป็นทุกข เราเข้าใจความโกรธเป็นทุกข์อันนี้รู้แค่รู้จารู้จักแต่เราก็ยังมีความโกรธอยู่แสดงว่าปัญญาขั้นต้นเนี่ยดับทุกเรื่องความโกรธไม่ได้จึงมีปัญญาในขั้นที่สอง mm. เรียกว่า mm. จินตามย่าปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดนึกพิจารณาหาเหตุผลอันนี้ลึกข้ไปกว่าขั้นทด้ยินได้ฟังแต่ก็ยังดับทุก ได้เม่ตลอดนะเท่เรารู้ว่าความโกรธไม่ดีโกรธแล้วทําให้หน้าตาไม่สวยงามทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บทําให้จิตใจซ่อมหมองตายไปตกนรกเราไม่ควรโกรธเราควรแผ่เมตตาเข้าใจอธิบายได้คิดลึกซึ้งมากแต่เราก็ยังโกรธอยู่เรามีครุกลุลอยู่ในจิตใจยิ่งเราเป็นคนถูกต้องเนี่ยเราไม่น่าทําอะไรอย่างนั้นเลย ไม่น่าทาอะไรอย่างนี้เลยยิ่งคิดให้ละเอียดลึกซึ้งบางทีโกรธหนักกว่าเดิมแต่แว่าปัญญาในขั้นคิดลึกเนี่ยดับความทุกข์เรื่องความโกรธไม่ได้จินตามะยะปัญญาต้องเป็นปัญญาขั้นที่สม น, นี้เป็นปัญญาขั้นสูงสุดเลยเขาเรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกฝนกจิตใจต้องมีการปฏิบัติมีการทดลองฝึกฝนกจิตใจ ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าไอ้ความโกรธที่เป็นยังไงพอเกิดความโกรธขึ้นมามีสติแล้วลึกลูกลงไปในความโกรธเห็นความโกรธสัมผัสความโกรธอ๋อความโกรธนี่มันทําให้จิตใจต้องเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายโอ้มันเป็นทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์นะเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับวุ้บไปต่อหน้าต่อตาไอ้ความโกรธนี่มันก็ไม่เที่ยงอ้าเมื่อกี้โกรธอ้าต่อไปความโกรธหายไปไหน ถ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความโกรธต่อไปก็จะไม่โกรธอีกต่อไปจิตก็เลยพ้นจากความโกรธไม่โกรธอีกต่อไปเห็นไหมนี่ปัญญากเกิดจากการภาวนาสัมผัสรู้อันนี้เป็นปัญญาที่ดับทุกได้ที่แท้จริงศาสนาพุทธเนี่ยมีปัญญาในสามขั้นแบบนี้แต่ขั้นที่ดีที่สุดคือขั้นภาวนาภาวนานี่ยอย่าไปคิดว่าจะต้องไปนั่งบนพื้นบำบับบโดโตโยะไม่ใช่ ภาวนาแปลว่าทําจิตให้เจริญภาวนาการทําจิตให้เจริญไม่ต้องบนพืมพําก็ได้แต่ถ้าเราขยันรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันก็เจริญบนพึมพัมนั่นคือ เ, เรียกว่าบริกรรมต่างจากคําว่าภาวนานะบริกรรมคือยุบเนาะองเนาพุโทโธบริกรรมแต่ภาวนาคือไม่ต้องบริกรรมรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยก็เป็นการภาวนา เพราะการขยันรู้อันนี้คือปัญญาสามขั้นคนส่วนมากใช้ปัญญาในขั้นแค่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแะนะแค่คิดนกรก็จบแหละก็จะขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะก็มีคนอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นนักคิดนักคิดประเภทที่สองคือนักวิทย์ประเภทที่สามคือนักจิตเนี่ยสามประเภทเนี่ยต่างกันนะ นักคิดเนี่ยคือคิดตะพื้นตะพื้นคิดตลอดเพราะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสรุปซอต่อพอเลยคิดแล้วจบไปในตัวเพราะะฉนั้นนักคิดจริงเป็นโลกภาษาก็มีเยอะนะคิดแล้วบางทีดับทุกไม่ได้บางทีคิดมองโลกในแง่ดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์เนี่ยคิดเลื่อยเปื่อยไปก็มีนะคิดแล้วเอ๊ะเราก็ทําดีแล้วเนี่ยทำไมไม่น่าทำอะไรอย่างนี้เราทําดีแล้วถูกต้องแล้ว ทำไมจึงไม่ได้เงินไม่ได้ทองทำไมจึงไม่ได้ลาบไม่ได้ยศทำไมจึงไม่มีใครมาสรรเสริญเราน้อยเนื้อต่ําใจฆ่าตัวตายเพราะความคิดก็มีคนที่ฆ่าตัวตายเนีเพราะคิดมากนะความคิดพาไปฆ่านะแม้มันไม่ฆ่าตัวตายแนละ้วแม้มันไม่คิดมากแต่คนฆ่าตัวตายเพราะคิดมากคนเป็นโรคกิดโรคภาษาเพราะคิดไม่เป็นระเบียบคนนอนไม่หลับเพราะเป็นคนคิดมากเพราะนั้นนักคิดจึงดับทุกข์ไม่ได้ แต่คิดออกมาเนี่ภาษาสละสลวยมากต่อไปนักวิ ท, วทยาศาสตร์ชอบทดลองทดลองให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็สรุปออกมาเป็นสูตรอัน น, นักวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังมีความทุกข์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีมหม ย, <c oughs> ยังมีความทุกข์อยู่เขาเล่าให้ว่ามีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งชอบทดลองในระหว่างก่อนจะเข้าห้องทดลองเนี่ย ต้องทำสมาธิให้จิตสงสบสมาณทิฏีิมีประโยชน์มากในการทดลองทำสมาธิเสร็จแล้วก็เข้าทดลองทดลองผสมสูตรต่างๆทำในวิชาที่เราตั้ ง, งใจไว้จะทดลองเอิ้เวลาอยู่ในห้องทดลองเนี่ยมักจะมีแมวเขาเลี้ยงแมวไว้มีแมวร้องอยู่หน้าห้องเขต้องเสียเวลากับการเสียสมาธิมาเิดประตูรับแมวเข้าไปรับแมวที่เลี้ยงไว้ในห้อง ก็ทดลองเงี้ยเดี๋ยวมีมาอีกตัวกนละก็เลยตัวหลังเลยแก้ปหาด้วยการเจาะรูไปเจาะรูประตูไปให้แมวมันเข้ามาเจาะไว้รูเล็กแมวตัวเล็กเข้าพอทดลองต่อไปมันมีไมาอีกตัวอีตัวใหญ่มันเข้ารูนี้ไม่ได้ก็เจาะอีกรูเป็นรูที่สองแมวสองตัวเจาะสองรูเลยดีๆนะไม่มีตัวที่สามเจาะรูที่สามต้องเจาะรูใหญ่หน่แทนที่จะเจาะแค่รูเดียวรูใหญ่ซะหน่อยนะ และเข้าเลยสามตัวบางทีเกิดสมาธิในการทํางานมากเกินไปจิตมันก็เผลอเลยนะขาดสติคนที่สามคือนักจิตอันนี้ว่านักธรรมะก็ได้คนนี้นี่หาเรื่องดับทุกตะพื้นเนี่ยไม่ค่อยสนใจกันละหาเรื่องดับทุกทําไมทุกเดียวเป็นใช้ได้หนวดคราวจะยาวไม่สนใจหาเรื่องดับทุกนั่นจิตใจแต่พู้นี้ดีนะดูแล้วไม่ค่อยสง่างามแต่ว่าใจก็ไม่เป็นทุก สประเภทเนี่ยมารวมกันหาข้อสรุปสักอย่างหนึ่งเจอถังน้าอยู่ใบในน้ำจะมีถังเต็มเลยเขาถามนักคิดจะบอกว่าอ๋อเนี่ยมันต้องหนักแน่เลยเนี่ยเพราะมันมีน้ำมันจึงหนักแล้วก็จบแค่นั้นไม่ไปยกอะนักคิดคิดเอาก่อนหนักไม่หนักไม่รู้ว่ายกว่าเหตุผลแล้วก็หนักไว้ก่อนแล้วก็ไม่ไปยกสุนักวิทยาศาสตร์ต้องทดลอง เดินไปยกโอ้มันหนักบางสรุปได้วันหนักทดลองส่วนนักจิตคือ น, นักธรรมะเนี่ทำยังไงรู้ไหมก็ไปยกเหมือนกันเพราะธรรมะเนี่ยต้องมีการพิสูจน์ต้องทดลองเหมือนกันไปยกขึ้นมาโอ้มันหนักแต่ใจไม่เป็นทุกข์แสดงว่าธรรมะเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่ใจต้องไม่เป็นทุกข์นเนี่ยสำคัญนะเนี่ย มันรอดได้ตรงที่ใจไม่ทุกเนี่ยคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อหาความสุขใช่ไหมก็ถูกแต่ว่าก่อนจะมีความสุขที่แท้จริงนั้นใจต้องไม่ทุกข์ก่อนถ้าตอบถูกต้องคือเพื่อสแสวงหาความไม่มีทุกข์เราตื่นนอนขึ้นมานี่เราเริ่มแล้วเริ่มแก้ทุกตัวเองอาบน้ำล้างหน้าเข้าขอน้ําทานข้าวทํางานเพื่อความไม่มีทุกข์ตรงนั้นแต่เราคิดว่าเราไปสแสวงหาความสุข ถ้าเราแก้ทุกข์ได้นั่นคือความสุขอันนี้คือต้นตอเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะบอกว่าการศึกษาที่แท้จริงนั้นคือการศึกษาเรื่องของชีวิตเรื่องของกายเรื่องของจิตเนี่ยเราไม่ต้องเข้าโรงเรียนก็ได้ไม่ต้องเข้าชั้นก็ได้ศึกษาได้ที่ตัวเราเลยศึกษาที่กายที่จิตการศึกษาที่กายที่จิตเนี่ยไม่ต้องไปอ่านตำราที่ไหนตำราเล่มใหญ่คือกายกับจิตเรา ใครผู้อ่านตำราสติสัมปชัญญะเป็นผู้อ่านตำรากายจิตคือตำราเล่มใหญ่พระไต 8, 40, 000, รปิฎกแปดห8 4่นสี่พรนมขัมภาร์เนี่ยเอามาจากกาจากกาจาิตทั้งนั้น่ะเรียนรู้จากกายจาิตแล้วก็ไปเขียนขึ้นมาวิธีการศึกษาชีวิตนัๆๆมม้นเราต้องมารู้จักคาว่าสติสัมปชัญญะก่อนสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว ส อ, อย่างรวมกันเป็นภาษาไทยไทยว่าความรู้สึกตัวซึ่งมีอยู่แล้วในคนเราความรู้สึกตัวมีสองอย่างประกอบกันคือความรู้สึกกับคําว่าตัวอันนี้มีอยู่ในตัวเรานะฟังดูก่อนถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจตัวคือกายกับใจที่เรายึดถือเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้คือตัวทุกคนมีแล้วกายคือสิ่งที่นั่ง จิตคือสิ่งที่มันคิดได้เนี่ยเห็นไหมจิตเราเป็นยังไงบางคนสงสยัยจิตเราเป็นยังไงเรามีจิตหรือเปล่า <laughs> จิตคือความรู้สึกนึกคิดได้นะคือจิตทุกคนมีแต่เราไม่ค่อยสังเกตความรู้สึกคือสติที่เข้าไปรู้สองอย่างารงมกันเป็นความรู้สึกตัวรวมเป็นตัวคนเดียวกันถ้าใครไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับไม่มีชีวิตเห็นไมคนตายแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกตัว แล้วคนนั่งให้เจ๋แล้วก็จ่ายมือร้อยไปนอกห้องประชุมเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความรู้สึกตัวนะเพราะมันออกไปจากตัวแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยคือชีวิตความรู้นรู้ตัวเนี่ยคือชีวิตเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้สึกตัวจิตไม่อยู่กับกายเราตื่นนอนขึ้นมาเป็นไงมันจะเริ่มมีความคิดก่อนใช่ไหมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราคิดนะ่ะ แล้วก็เผลอไปกับความคิดวางแผนต่างๆคิดก็ไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาลุกเข้าห้องน้ำก็ไม่รู้สึกตัวอีกเดินเข้าไปไม่รู้สึกตัวนะรีบเข้าห้องน้ำรีบจัดการธุระเสร็จไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินเข้าห้องน้ำอาบน้ำเสร็จทานข้าวก็ไม่รู้ตัวนะทานข้าวไปก็ใจก็คิดเป็นโครงการกินโครงการก็จะไม่รู้ตัวเดินมาทางานบาทีเดิน เดิไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินนะจะไปแต่ข้างหน้าอย่างนห้ถึงอย่างเดียวไล่ก็ น, นั่นเดินโทรศัพท์อีกต่างหากบางทีเดินโทรศพัททรศพท์ข้ามถนอนอีกโอ้โหไม่รู้สึกตัวเนี่ยทำด้วยความเคยชินนะเราทํางานด้วยความเคยชินไม่รู้นึกรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่างเมื่อเช้าเนี่ยไปออกกําลังกายเห็นเขาวิ่งจ็อกกิ้งไงวิ่งไปโทรศัพท์ไป <laughs> ไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวว่าขณะนั้นกํากลังทําอะไรอันนี้ศึกษาชีวิตไม่ได้เลย จะทำทุกอย่างทําด้วยความเคยชินอันนี้ขาดสติแล้วมันอันตรายขับรถไปเนี่ยโทรศัพท์เพื่ออันตรายเพราะจิตกําลังไปฟังเรื่องโทรศัพท์ไม่รู้ตัวกําลังขับรถการขับรถเพียงแค่ความเคยชินเท่านั้นอันตรายขับรถโทรศัพท์อันตรายมันขาดสติช่วงที่ตัดสินใจการขับรถเนี่ยขับด้วยความเคยชินจะสังเกตดูนี่แหละเราใช้ชีวิตแบบไม่รู้สึกตัว มาเรียนหนังสือก็จิตใจเม่อยร้อยอันนี้ขาดสติแล้วกันแล้วจะจําบทเรียนได้อย่างไรกระทั่งก่อนจะนอนยังต้องคิดคิดก่อนนอนก็ไม่รู้ว่าคิดและแถมว่าอยากจะ น, นอนแต่ไม่รู้ว่าเรากำลังคิดถ้าไม่รู้ว่าเราคิดเนี่ยมันนอนไม่หลับหรอกแต่ถ้ารู้ว่าคิดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวความคิดก็จะขายไปอันนี้ก็จะนอนหลับอันนี้เราวขอให้เราเปลี่ยนความเคยชินสมัยอันนี้เป็นประโยชน์นะถ้าเราทําได้เนี่ย จิตมันจะเบาสบายเลยมันจะเป็นนายของจิตใจจิตใจไม่ได้เป็นนายเราอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยเปลี่ยนความเคยชินสมัยตอนนี้เรามีความเคยชินเกับการทําอะไรด้วยความเคยชินไม่มีความรู้ตัวว่ากำลังกำลังทำอะไรอยู่เปลี่ยนสมัยตื่นขึ้นมาเนี้ยให้รู้ตัวตัวก็มันคิดก็รู้ว่ามันคิดไม่ต้องมีการไม่ต้องห้ามอะไรเราเคยทําอะไรทําไปเถอะแต่ว่าเติมเติมรู้ซะหน่อยว่าเรากําลังทําอะไร รู้เนื้อรู้ตัวะอันนี้เป็นสเสน่ห์นะทุกอย่างอียบบทนี้จะงดงามเลยเข้าอองน้ำก็รู้ตัวขับถ่ายก็รู้ตัวทานข้าวก็รู้ตัวรีบรีบก็รู้ว่ารีบไม่ผิดทำได้ทุกอย่างดูทีวีก็รู้ตัวว่ากาลังดูทีวีอยากเข้าไปเป็นทีวีทั้งหมดไปเป็นผู้กลับไปเป็นนางเอกเป็นพระเอกไปหัวเราะไปร้องไห้รับมุกทีวีหมดเลยไม่มีความรู้ตัวว่ากลังดูทีวีอยู่ อั น, นี่คือความหลงการใช้ชีวิตทั้งหมดในพยายามเติมรู้เติมรู้เข้าไปมันจะเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวในชีวิตประจําวันมันคิดปรุงแต่งก็รู้มันคิดมันโกรธก็รู้ว่าโกรธมันทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อย่าปล่อยให้มันฟรีขอแค่รู้เป็นหุ้นส่วนสักหน่อยมันเจ็บมันปวดก็รู้แล้วค่อยแก้ไข ด้วยความรู้ตัวเนี่ยอันเนี้ยทุกมันจะน้อยลงไปทันทีเลยอันนี้เป็นความเคยชินแบบใหม่ฝึกชีวิตทอยู่กับปัจจุบันซะบ้างเคล็ดลับปัจจุบันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยทุกไม่เกิดหรอกมันเกิดแต่เมื่อเราคิดไปกี่โมงแล้วนัดใครไว้นะมันเริ่มเป็นตุวเพราะความคิดปรุงแต่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกไม่เกิดเนี่ยคือเคล็ดลับปัจจุบันที่กําลังทํามาอยู่ให้รู้ตัวอยู่ ต, ตรงนั้น เนี่เป็นการปฏิบัติธรรมจิตใจไม่เลื่อนลอยแล้วจิตจะเก็บข้อมูลมันจะละเอียดและเป็นระเบียบด้วยคนที่คิดปรุงแต่งแปลนาคตแปลดีดนี่จิตไม่เป็นระเบียบแล้วแลวจะเริ่มมีปัญหาแนละอันนี้แหละแต่ว่าการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีสติอย่างความรู้ตัวเนี่ยยังไม่เพียงพอบางทีมันต้องมีอาหารเสริ ม, มเพื่อมีของเสริมต้องมีรูปแบบรูปแบบของการฝึกสติ ให้มันรู้ตัวให้มากๆแต่เรื่องรูปแบบนี่เป็นวิธีการดัดแปลงขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นอุบายให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นเท่านั้นอันนี้คือรูปแบบแต่การทำในรูปแบบนี้ต้องปลีกตัวสักหน่อยนะไปทำที่ร้านขายของก็ไม่ได้ไปทำที่ห้องเรียนก็ไม่ได้ต้องปลีกตัวสักนิดนึงปลีกตัวเพื่ออะไรเพื่อเป็นการฝึกให้เต็มที่รูปแบบในการรู้ตัวเนี่ยอย่างเช่นว่าการมีสติ รู้ลมหายใจเคยทำไหมหายใจเข้าก็รู้หลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้สมมติที่เรามีความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้นะฝึกรู้ลมหายใจในรูปแบบแต่การฝึกแบบนี้ต้องอาศัยที่ปรีกจากบุคคลภายนอกสักหน่อยอยู่บ้านก็ทาได้ เห็นไม้มก่อนจะนอนเนี่ยปิดทีวีอยู่คนเดียวทำได้เลยในห้องพระก็กทำได้ไม่ต้องไปที่วัดรู้ลมหายใจนี่เป็นรูปแบบหรือการเดินจงกรมการเดินแต่ละครั้งนี่ให้รู้สึกเนี่ยให้รู้สึกอย่าเดินฟรีๆเติมมารู้ไปด้วยอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติได้อย่างผมนี่เนื่องจากว่าสภาพร่างกายที่พิการ เมื่อก่อนมีการเคลื่อนไหวแค่เพียงมือข้างเดียวเท่านั้นะผมก็นอนไม่นอนปรเปล่าๆนอนพลิกมือเล่นพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกพลิกมือหงายรู้สึกความรู้สึ ก, ก, ร, ส ก, ร, สกรู้สึกตัวเวลามือมันเคลื่อนไหววันๆทําแบบเนี้ยไม่เบื่อไม่เต็งคือมันเต็งเพราะจิตมันไม่มีอะไรทําแต่พอมีงานทํามีความสุกตัวทําเนี่ยมันไม่เต็งมันเพลินแล้วมันมีความสุขด้วย เราดูแล้วมันไม่น่าสนุกเลยแต่ทําแล้วมันสนุกมันเป็นการปฏิบททัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตด้วยเป็นการศึกษาชีวิตพลิกมือไปพลิกมือมารู้สึกทําพิยงแค่นี้แต่ทํานานๆนะเนี่ยทำแค่นี้มนันเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จากทุกไม่ทุกจากความคิดมากกลายเป็นมีสติมากเปลี่ยนความหลงหรือสติเป็นความรู้สึกตัวนอนทําอย่างเงี้ย ทำจกทั้งแขนนี่แข็งแรงเลยเดี๋ยวนี้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวพอน้องพลิกมือเล่นไม่รู้ธรรมะแต่ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นก็ยังดีนะไอ้ส่วนที่มันยากๆเนี่ยมันท้าทายชีวิตมันเป็นการท้าทายมันท้าทายนีย่ถ้าเราทําได้เนี่ยโอ้ทะลุเป้าเลยถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้อยู่แล้วอยู่ที่การท้าทายเนี่ยการทําในรูปแบบพอเราทําไปนานๆนนเนี่ยอันนี้จะเล่าถึงนี้ว่าผลเลยนะ ผเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผมเมื่อเราฝึกเคยชินกับการรู้สึกตัวกับการใช้ชีวิตบ่อยๆมันเผลอไปแล้วก็ช่างมันจะเป็นอะไรไปเราไม่จะพระระยะเผลอได้แต่ลว่เผลอเราก็รีบกลับมาเริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่เริ่มรู้ตัวว่าเรากาลังทาอะไรอยู่กาลังคิดอะไรอยู่ทาบ่อยๆเข้าเนี่ยเมื่อมีความรู้ตัวมากๆความหลงลืมตัวมันก็หายไปนะ ไอ้สองอย่างนี่มันสลับกันนะตอนแรกมีแต่ความหลงความรู้ไม่เกิดขึ้นแต่พอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นในความหลงก็หายไปสรุปแล้วชีวิตเราในมีอยู่สองอย่างมีรู้กับหลงมีรู้กับหลงสองอย่างหรือรู้ทันหรือรู้ไม่ทันเท่านั้นเองพอมีความรู้สึกตัวมากๆเนี่ยมันเริ่มมีปัญญาปัญญาคือรอบรู้เขาเรียกว่าเริ่มรู้ทำเห็นธรรมแล้ว การเห็นธรรมนี่เราอย่ามองเพลินเพี้ยนเห็นธรรมนี่ไม่ใช่เห็นสิ่งนอกตัวไม่ใช่เห็นนรกไม่ใช่เห็นสวรรค์ไม่ใช่เห็นเทวดาไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ใช่ของจริงอนั้นเป็นความคิดไม่ต้องปฏิบัติก็คิดเอาก็ได้การเห็นธรรมนี่คือเห็นตัวเราเขาเรียกว่าเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเนี่ยพอเห็นกายเห็นใจเนี่ยเริ่มเห็นชีวิตเราแล้ว เห็นกายเห็นใจเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตอันนี้ไม่ได้เห็นแบบคิดเอาแต่เห็นโดยการเอาจิตเข้าไปสัมผัสเลยเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นจิตเห็นอาการต่างๆที่เกิดจากตัวเราถ้าเรามาสำรวจดูตัวเราเนี่ยรับรองทุกมันจะไม่เกิดขึ้นอดี่ทุกมันเกิดเพราะเราไม่ได้ดูตัวเราดูแต่ข้างนอก ฟังแต่ข่าวดูแต่น้ําท่วมมันก็ทุกข์อะสิ <c oughs> ยิ่งดูข้างนอกนี่มันลืมตัวเรานะดูข้างนอกนี่นเอาความทุกข์มาใส่ใจเราถ้ากลับมาดูตัวเราเนี่ยทุกข์มันไม่เกิดอย่างเช่นเวลาเกิดความโกรธความโกรธก็ขึ้นในใจแต่ถ้าเราดูที่อาการงความโกรธเนี่ยมันจบเลยแต่มันเกิดความโกรธปับ๊บเราจะไม่มองข้างนอกเลยเขาไม่น่ามาทําให้เราเขาไม่น่าจะทำอย่างนี้ไปดูข้างนอก มันก็ยิ่งโกรธใหญ่เลยแต่ถ้าดูอารมณ์ในจิตใจดูจิตที่มันกำลังเดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยไปเดี๋ยวมันหายไปหายวัยจบไวแล้วเวลาเกิดความโกรธเนี่ยอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งพูดอะไรสังเกตดูไอความรู้สึกที่มันกําลังร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวมันหายไวัยใช่ไหมอันนี้เป็นการปฏิบททัติธรรมเช่นที่กเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไหมว่ากําลังเมื่อยรู้สึกไหมว่าเรากําลังเมื่อย ไลาใครรู้สึกกําลัลางเมื่อยบั่งโอ้นี่เป็นอาพาตบนแรกเหรอผมนี่ไม่เมื่อยอยู่คนเดียวนะอ่าแต่ว่าเราไม่รู้ตัวรู้ไหมว่ากําลังคิดเรารู้ว่าเรากําลังปวดกําลังเมื่อยเนี่ยเรารู้ทําเลยนะเวทนาเนี่ยเป็นธรรมะมันเมื่อยมันปวดถูกแล้วร่างกายมันทําหน้าที่ขอบคุณมันที่มันทําหน้าที่ปวดเมื่อย ถ้าร่างกายไม่ปวดไม่เมื่อยนี่มันเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนะถูกแล้วแต่ว่าคนที่มีความรู้ตัวเนี่ยความปวดความเมื่อยเนี่ยจะเป็นแค่เพราะที่ร่างกายความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่เมื่อยแล้วมันแค่รับรู้รับทราบเอาไว้เห็น ไ, ไหมมันจะเกิดการแยกเนะี่แยกรูปแยกนามแยกทุกออกจากจิตแล้วมันเมื่อยอ๋อนี่กายมันเมื่อยมันปวด สติรู้ไว้แล้วก็แก้ไขเปลี่ยนยบทด้วยสติผมเห็นท่านไปนั่งนิ่งสักคนท่านขยับท่านเมื่อยนะท่านจะขยับแต่ท่านขยับเบิดไม่รู้ตัวมันจะเป็นทุกข์เฉพาะด้านร่างกายร่างกายต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติถูกแล้วเขาบอกเราว่าเขาเป็นทุกข์แต่ว่ากายเป็นทุกข์นะใจไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยมันแยกกันบางทีมันก็หนาวบางทีมันก็ร้อน อันนี้เป็นเรื่องของกายกายมันหนาวแต่ใจนี่ไม่ใช่ใจแค่รับรับทราบแล้วก็แก้ไขโดยที่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์บางทีมันเกิดความหิวเคยหิวไหมเวลาหิวนี่กายมันหิวหรือใจมันหิวกายต้องการอาหารบางคนที่ไม่ได้เจริญสติเนี่ยพอกายหิวใจก็โมโหเห็น ไ, ไหมกายหิวใจก็เป็นทุกข์อันนั้นไม่ใช่แต่คนฝึกสติเนี่ย กายหิวใจรู้แล้วก็พากายไปกินวิ๋วเตี๋ยวซะโดยที่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์มันแยกได้เลยว่าทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่กายแล้วต่อไปเนี่ยเวลามีโรคภยยัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าเราฝึกรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยใจจะไม่เป็นทุกขนะ์นะโรคมะเร็งโรคเอตโรคไมเกรนสารพั์โรคที่เกิดขึ้นที่ร่างกายเนี่มันจะเป็นเฉพาะร่างกาย แต่ใจไม่ได้เป็นทุกข์ใจก็ทําหน้าที่ดูแลรักษาไปจิตเหมือนนางพยาบาลเหมือนหมอร่างกายเหมือนคนไข้คนป่วยมันจะดูแลกันและเวลาร่างกายแก่ลนะใจมันไม่แก่ด้วยนะใจมันรู้ว่าอ๋อนี่มันแก่แล้วมันโทมแล้วใจไม่ต้องแก่ไม่ใช่ไม่แก่เพราะไปเที่ยวนะไม่ใช่ไม่แก่เพราะรู้ความจริงอ๋อเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่เริ่มรู้จักตัวเราแล้ว แล้วเวลามันจะตายล่ะนี่ตรง น, นี้หล่ะศึกชิงพบตอนก่อนจะตายเนี่ยถ้าร่างกายมันจะตายถ้าใจมันเป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ตกอบายอภูมิเลยแต่ถ้าใจรู้ว่าโอ้ธรรมดาร่างกายต้องตายอย่างนี้เองคือรู้จริงว่ามันเป็นอย่างนั้นจิตใจมันก็ไม่ตายไปด้วยมันไปนพูดรับรู้รัรบทราบเห็นไหมอันนี้คือความไม่ตายทางจิตวิ ญ, ญญาณมันหลุดรอดถึงขนาดนี้เลยนะแม้ว่าร่างกายพิการอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นคนเนยโอ้นี่พิการ นั่นคือส่วนร่างกายการเจิตตินี่มันแบ่งนะว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตมันพ้นได้ตรงนี้กายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ใจที่ไม่ทุกข์สามารถแก้ไขร่างกายให้มันทุกข์น้อยได้เนี่ยคือเจติตติร่างกายที่เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเราห้ามไม่ได้หรอกห้ามได้ไหมแต่เราสามารถเจิตตินําจิตออกจากความทุกข์ทางกายได้อันนี้คือสิ่งมหศัศจรรย์ ยิ่งเจริญสติเป็นนานเนี่ยมันจะเห็นสวนละเอียดที่มันมากกวานี่ละเอียดมากเห็นจิตที่มันคิดที่เราเจริญสติรู้กายบ่อยๆเนี่ยเพื่อให้จิตมันละเอียดนะให้สติมันตื่นรู้เพื่อเห็นจิตที่มันคิดจิตที่มันคิดนี่แหละมันนําความทุกข์มาสู่ชีวิตเราทุกทางกายนี่ไม่รุนแรงนะแต่ที่มันรุนแรงเพราะว่ามันคิดปรุงแต่งใช่ไหมเวลาเราเจ็บป่วยปวดท้อง แค่ปวดท้องอาจจะมีแค่ลมในกระเพาะท่วนเองทานยาซักก็หายหรือเลอสักครั้งหายลมสักครั้งก็หายแต่เรปรุงแต่งโอ้โหนี่มันปวดท้องมานานเนี่ยจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้าเป็นมะเร็งนี่เราจะทําอย่างไรใครจะดูแลลูกเราเราจะต้องออกจากงานโอโ้มันปรุงแต่งไม่ทันเป็นมะเร็งในร่างกายเลยจิตใจเป็นมะเร็งซะแล้วเพราะฉะนั้นความทุกข์เกิดจากความคิดปรุงแต่งถูกไหมมันนําเอาความรัก ความโกรธความกลัวมาสู่จิตใจเราเช่นมันเกิดความมืดขึ้นมาเนี่ยพอมือดเนี่ยเราก็กลัวใช่ไ้ยความมืดเนี่ยมัน ม, มีปัญหาหรอมีปัญหาที่กลัวความมืดใช่ไหมเพราะไปปรุงแต่งพอมือดต้องมีผีปรุงแต่งเพราะจิตนี่มันปรุงแต่งมากพอใจบ้างไม่พอใจบ้างปัญหาท้งจิตทั้งนั้นเรามีกายมีจิต เราไม่เคยเป็นเจ้าของเลยเราไม่เคยเป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตเราไม่เคยใช้กายใช้จิตเลยแต่ถูกความคิดเตียนปรุงแต่งมันใช้เป็นไงวหพอใจขึ้นมาเกิดความโลภอยากได้สแสวงหาเกิดความอยากก่อนแล้วสแสวงหาเลยพากายพาจิตไปสแสวงหาอยากได้อยากสูบุหรี่อยากดื่มสุราอยากเที่ยวกักาคืนเนี่ยเราทาตามความอยาก ให้ความอยากเป็นนายใช้เราแล้วก็เสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพเพราะความอยากมันใช้เราใช่ไหมเราขาดสติรู้ไม่ทันมันเรารับมุกขมนเขาแล้วบางทีเมื่อเกิดความโกรธนะมีความเกิดความโกรธไม่พอใจงุดงิดเราก็ไปด่าไปว่าไปทำร้ายติดคุกติดตารางเพราะความโกรธมันใช้กายใช้ใจเราเสียอนคตไปเลยก็มีนะเราไม่ได้ใช้ตัวเราเลย แต่ถ้าเรามาีความรู้สึกตัวเนี่ยแม้ว่ามีความพอใจไม่พอใจเนี่ยความรู้สึกตัวจะสกัดกั้นซะก่อนจะเห็นซะก่อนเลยไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามรักไม่ได้ห้ามโกรธแต่ว่ามีความรู้สึกที่รู้ทันมันแยกได้ว่าอันนี้คือความคิดอันนี้คือจิตแยกจิตออกจากความคิดแยกอารมณ์ออกจากจิตอาศัยความรู้สึกตัว นักวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องมือทดลองเขาแยกสีแยกกลิ่นออกจากน้ำเพื่อให้น้ำนั้นเป็นน้ำบริสุทธิ์ด้วยเครื่องมือได้ฉันใดนักวิทยาศาสตร์ทางจิตก็สามารถแยกความคิดหรือแยกอารมณ์ออกจากจิตให้จิตนั้นได้บริสุทธิ์ด้วยสติได้ฉันนั้นสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันแยกได้ว่าอะไรคือจิตอะไรคือความคิด เนี่ยมันละเอียดนะถ้ารู้สึกละเอียดอย่างนี้นะพอแยกออกมาได้จิต ก, ก็บริสุทธิ์มันก็ปลอดภยัยการปฏิบัติก็เหมือนกันเรามีความคิดตรุงแต่งมากมายเราไม่ต้องไปห้ามมันยิ่งห้ามยิ่งคิดนะเห็นไหมตอนเราจะหลับเนี่ยบางครั้มันหลับมันก็ไม่ยอมหลับยิ่งห้ามยิ่งคิดเท่ากับอนามันเป็นราดกองไฟเลยเราจะริเสติให้มากทําความรู้สึกตัวให้มาก รู้ตัวไม่ต้องไปห้ามความคิดไม่ต้องไปห้ามอารมณ์เรารู้สึกตัวเฉยเฉยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะคุมจิตใจไว้คุมกําเนิดความคิดได้ไม่一งกับผมนั่งอยู่เนี่ยเก้าอี้เนี่ยไม่มีใครมานั่งซ้อนผมอะพราผมนั่งอยู่แล้วเก้าอี้เป็นเสมือนจิตคนนั่งเป็นเสมือนความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันคลองอาณาจักรของจิตเอาไว้ถ้าความคิดจะปรุงแต้มมันก็เห็นนายอย่าเข้ามานะ นายมาเอามาท่านนายกลับไปซะหรือแค่รู้มันก็กลับไปสร้างเพียงแค่หนึ่งรู้เรือรู้ตัวมันจะแก้ปัญหาทั้งหมดในชีวิตจิตใจเลยทำเพียงแค่เนี้ทีนี้เมื่อทำแล้วรู้ทันแล้วไม่ใช่วันจะไม่คิดนะมันคิดแต่คิดด้วยสติมีความคิดอยู่สองอย่างในชีวิตเราคิดด้วยกิเลสกับคิดด้วยสติต่างกันมาก คิดด้วยกิเลสนี่จะต้องเอาให้มากคิดให้มันดีคิดให้มันเด่นคิดให้มันดังทําแมไอย่างใจแล้วก็คิดโกรธแล้วก็นอนไม่หลับเป็นโรคจิตโรคประสาทกับข้อความคิดแบบด้วยกิเลสพอสุดท้ายก็เป็นทุกข์ฆ่าตัวตายเพราะกิเลสภาพแต่พอเราเจอสติแล้วจะมีความคิดแบบใหม่คิดด้วยสติคิดวางแผนต่างๆคิดเกื้อกูลคิด ที่จะไม่โลภคิดที่จะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนคิดที่เป็นกุศลคิดเพื่อจะให้แล้วคิดแบบเนี้ยจิตใจมันก็สบายมีความสุขไม่มีความทุกข์อันนี้คือคิดด้วยสติแต่จะคิดแบบนี้ได้นั้นจะต้องมีสติที่ฝึกฝนซะหน่อยมันจะเริ่มละเอียดเห็น ไ, ไหมอันนี้มีประโยชน์ทีนี้ใครคลองใจเราล่ละสติก็จะเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจ สติเป็นธรรมะที่เป็นกุศลถ้าเกิดสติเมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะพากายพาใจไปทําสิ่งที่มีประโยชน์สติเป็นเจ้าของตัวเราไม่ใช่เป็นความคิดที่เป็นความพอใจไม่พอใจแล้วสติเป็นผู้บริหารชีวิตเราการเอาชนะตัวเองนั้นก็คือเอาชนะความคิดเอาชนะความคิดได้เมื่อไหร่แล้วก็เท่ากับเอาชนะใจตัวเอง การเอาชนะความคิดนั้นไม่ใช่ไปค่าความคิดหรือห้ามความคิดแต่แค่รู้ทันมันและก็ไม่ทำตามความโลภอยากได้เราห้ามได้ไหมความโกรธเราก็ห้ามไม่ได้แต่เราสามารถมีสติรู้ทันมันได้แล้วก็ไม่ทำตามมันได้อันนี้คือเหนือชั้นเอาชนะคู่ต่อสู้โดยที่ไม่ทำร้ายคู่ต่อสู้นี่เหนือชั้นนะแบบสุภาพบุรุษเลยเอาชนะเกลียดโดยการที่ไม่ทาร้ายแต่ไม่ทาตาม เนภาษาสมัยใหม่ด้วยไม่รับมุกเราเคยดูหนังตลกไหมเวลาตลกมาแสดงบนเวทีแล้วหัวเราะฮ้าห้หเรารับมุกตลกแล้วแต่ถ้าเรารู้ทันนั่งดูเฉยๆหากมุกตลกเลยนะต่อไปมันตลกไม่ออก <c oughs> กิเลสก็เช่นเดียวกันความโลภความโกรธเช่นเดียวกันมันแสดงความโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าเราไม่รับมุกหากมุกความโกรธหักมุกกิเลสไปเลยอันนี้คือทางหลุดรอดและเสร็จแล้ว จิตเราก็สบายทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะพาจิตตื่นออกมาจากความคิดแล้วจิตก็จะสดใสแล้วก็บริสุทธิ์จิตเมื่อไม่มีการปรุงแต่งจิตก็จะบริสุทธิ์ผ่องไสเป็นอิสระเป็นความสุขสูงสุดเลยความสุขสูงสุดคือความสุขที่จิตไม่มีการปรุงแต่งของกิเลสเนี่ยเป็นสุขสูงสุดเลย นี่ลหละเป็นทุกคนทําได้เราอาจจะมีจิตบริสุทธิ์แค่ช่วงขนาดหนึ่งก็ยังดีนะเราเคยไหมบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรรู้สึกปลอดโปร่งเบาสบายนั่นมันมีช่วงความสุขสูงสุดเหมือนกันแต่เรามากักจะอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานเดี๋ยวก็หาเรื่องไปดูไปฟังหาเรื่องทาให้จิตเศร้าหมองอยู่เรื่อยเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีจิตมันก็เป็นปกติได้จิตที่เป็นปกตินั่นแะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่สุดเลย ไม่มีความยินดีร้ายแต่มีความรู้สึกตัวอยู่อันนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์ของการจิตสติเนี่ยมีมากผมเองได้สัมผัสมาอย่างน้อยทำให้เราเกิดความรู้สึกตัวที่มีสมาธิถ้ามีสติแล้วสมาธิจะเกิดคู่กันสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเมื่อมีสติมีสมาธิก็จะนาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตเห็นไหมเวลาเกิดปัญหาชีวิตอย่าตกใจ ตั้งสติให้ได้ก่อนเพราะสติเกิดนี่เดี๋ยวมีกระบวนการของแก้แก้ปัญหาผมก็ยกตัวอย่างคนตกน้ำแม้ว่าว่ายน้าเป็นก็ตายได้นะถ้าตกน้ำแต่ตกใจเนี่ยตะคิวกินแก้ปัญหาไม่ได้จมเลยถ้าตกน้ำอย่าตกใจตั้งสติให้ได้สติเนี่ยสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้เพรา ะ, ะนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเดือดร้อนไฟไหม้ในพีตกใจ สติก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาถ้าเรามีสติอยู่แล้วเนี่ยสุขภาพจิตก็จะดีคนเราเนี่ยฟุ้งซ่านนอนไม่หลับเพราะว่าขาดสติสุขภาพจิตดีจิตมันจะผ่อนคลายนะทำงานด้วยสตินี่จะผ่อนคลายสุขภาพจิตดีแล้วสุขภาพกายก็ดีด้วยเพราะสองอย่างนี้เนื่องกันเพราะว่ามีการกินอิ่มนอนหลับร่างกายก็มีภูมิคุ้มกัน โรคภัยแค่เจ็บที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆหายลงโรคหนักกับเบาเบากับหายไปเลยโรคบางอย่างเนี่ไม่ต้องไปรักษาหมอไม่ต้องไปหาหมอแค่มาฝึกจิตเนี่ยมันหายไปเลยเคยมีญาติธรรมบางคนเนี่ยเป็นโรคไมเกรนโรคฮิตมากไมเกรนเพราะเกิดจากความเครียดปวดจีสระทานยาเป็นประจำวันทีก็หายบางทีก็ไม่หายให้ก็มาฝึกจิตให้ฝึกจริตสติ ไม่ถึงเดือนนะเลิกทานยาเลยโรคบางอย่างเนี่ยเกิดจากความเครียดความคิดทางนั้นส่วนหนึ่งของการเป็นมะเร็งนี่ก็คือความคิดที่มันเครียดโรคกระเพาะอาหารโรคหัวใจโรคความดันเกิดจากความเครียดที่มันเกิดจากความคิดทางนั้นฝึกสติทำความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เป็นเพชฌฆาตของความเครียดเป็นยารักษาเพื่อเป็นธรรมโอสดนี่ว่ายาสามัญประจาใจ อย่าไปประจำบ้านบ้านไม่ได้ป่วยยาสามารถประจำไปคือความรู้สึกตัวเมื่อมีสติเนี่ยเราจะไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมสังเกตดูสุขภาพกายดีสุขภาพจิต ด, ดีเนี่ยการงานมันก็ดีการงานดีเนี่ยสุขุณภาพชีวิตก็ดีคนขาดสติเนี่ยจะมีขี้หลงขี้ลืมขี้ลืมลืมบ่อยๆแล้วก็มักจะทํางานผิดพลาดเคยไหมเคยผิดพลาดไหมติดพลาแล้วก็เป็นเคาะหัวตัวเอง โตสงสารหัวมันมันไม่ผิดเรกเราขาดสติมากกว่านั้นความผิดพลาดต้องแก้ไขมีมากเพราะเราขาดสตินี่นะชีวิตก็ไม่ปลอดภัยเขาบอกว่าคนไหนมีคุณธรรมมากน้อยในวัดกันที่สตินะคนที่มีคุณธรรมมากคนที่สติมากคนที่มีคุณธรรมน้อยสติน้อยคุณธรรมรักกันได้ที่สติเพราะเมื่อมีสติแล้วเนี่ยเราจะรู้จักกาละเทศะจะพูดเมื่อมีโอกาสพูดไม่หลับ ในที่ไม่ควรหลับไม่ได้ว่านะพูดได้หลับได้ไม่ได้ว่าอนุญาตอันนี้ฝึกถึงคนขาดสตินะจะรู้จักกาละเทสะจะเกิดความขยันคนมีสตินี้ขยันนะเพราะฉะนั้นคนแม่ขยันแป่เรว่าขาดสติมีความอดทนสูงแล้วก็มีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีนี่เป็นคุณธรรมของสติทั้งนั้นเลยที่สำคัญ ก, ก็คือ อายชั่วกลัวบาปคนมีสตินี้จะมีเครื่องยับยั้งชั่งใจนะก็จะมีห้ามร้ออายชั่วกลัวบาปเมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นมีกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจอกุศลธรรมก็จะหายไปเพราะนั้นการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพยายามให้มีความรู้สึกตัวรู้ตัวเป็นการเก็บเกี่ยวกุศลธรรมได้ตลอดทั้งวันเลยไม่ต้องไปที่วัดผมปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เริ่มที่วัด ผมเริ่มที่บ้านแต่ก็ไปช่วยทําหน้าที่ที่วัดอันนี้คือคุณประโยชน์ของสติผมเองนี่แต่ก่อนก็เป็นคนที่ดูแลไม่มีสาระใช้ชีวิตแบบไม่มีสาระเลยแม้แต่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้แต่พอ ม, มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาฝึกมีสติรู้ตัวทุกเมื่อชีวิตเปลี่ยนไปช่วยตัวเองได้และแต่ยังช่วยผู้อื่นได้ด้วยมันเป็นกําไรชีวิต มันภูมิใจที่ว่าเราเป็นคนพิการแต่ช่วยเหลือคนไม่พิการได้เนี่ยผมว่าประสบผลสำเร็จแล้วชีวิตเพราะนั้นขอให้พวกเราเนี่จงเรามาสนใจเรื่องนี้ดูผู้เสด็จองท่านตัดเลยว่าคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันอันนี้เป็นคำตัดเลยนะคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันถ้าเราจะอยากดีขึ้นทุกวันแล้วก็ลองฝึกรู้สึกตัวเอาไว้ ศา ส, สนาพุทธเนี่ยแม้ว่าจะล่วงเลยมา 2,500 กว่าปีจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่เหลือให้พิสูจน์ได้ยังคงทนต่อการพิสูจน์ยังมีหลักธรรม ท, ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ให้เราพิสูจน์ได้ปฏิบัติตามได้คงทนต่อการพิสูจน์สองพปีเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์แต่เราไม่ชอบใจ เราก็ควรจะทำนะเป็นประโยชน์แม่เราไม่ชอบใจเราก็ควรจะทาอย่างเช่นว่าอาหารเนี่ยอาหารได้มีประโยชน์แต่เราไม่ชอบกินเราก็ควรจะกินยานี้เป็นประโยชน์เมื่อเรามีโรคไปแค่เจ็บจําเป็นต้องกินยานี้แต่เราไม่ชอบกินเราก็ควรจะกินก็เพื่อตัวเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีมันน่าเบื่อนาย แต่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะทําเพราะฉะนั้นบางสีบางอย่างเนี่ยมันไม่ถูกใจหรอกแต่มันถูกต้องเราต้องเอาความถูกต้องไว้ก่อนไอความถูกใจเนี่ยบางไม่ปลอดภัยนะเมื่อที่มันถูกใจกับกิเลส ข, ของเราที่ทำให้เราเป็นทุกข์ต่อไปไภายหลังก็ได้เอาความถูกต้องไว้ก่อนละความถูกใจซะทาตามความถูกต้องนั่นเราถูกต้องที่สุดลองพิสูจน์ดูนะ นักวิทยาศาสตร์ทางจิตอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกเวลาอย่าประมาทพยายามที่จะปฏิบัติธรรมไว้ก่อนตอนเนี้ร่างกายเรายังแข็งแรงอายุยังน้อยอยู่ยังมีความทุกข์น้อยอยู่สนใจกับธรรมะปฏิบัติธรรมะไว้ก่อนเตรียมตัวเอาไว้เพราะว่าชีวิตข้างหน้าเนี่เราต้องได้เจอแน่นอนความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ แล้วความตายความพัดพลากจากสิ่งที่เรารักความผิดหวังเราจะต้องเจอแน่นอนแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาเอาไว้แก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยหรือไม่เริ่มฝึกไม่เริ่มฝึกแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้เนี่ยพอไปเจอตอนนั้นเนี่ยเราจะขาดที่พึ่งเลยนะใครก็ช่วยเราไม่ได้คนที่รักเราเนี่ยสามีเราภรรยาเราลูกเราเพื่อนเราเขาช่วยเราไม่ได้หรอก เราต้องนอนอยู่ ICU เพียงคนเดียวต้องอยู่คนเดียวต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองเนเราต้องเตรียมวัคซีนเอาไว้ป้องกันเหมือนอย่างกับว่าข้างหน้าเนี่ยมีไฟอยู่เราเดินไปเนี่ยต้องเตรียมหาน้ำเอาไปดับไฟเตรียมตัวไว้ก่อนอันนี้คือผู้ที่ไม่ประมาทอย่ารอให้พิการอย่างผมถ้ารอพิการอย่างผมแล้วไปแก้ปัญหาเนี่ยบางทีมันหมดกําลังใจนะเดี๋ยวนี้เจอบ่อยคนที่มีความทุกขมาปรึกษาเนี่ย มีแต่เรื่องท้อแท้หมดกาลังใจอยากตายแต่พึ่งเพราะขโมกํากลังใจเราเองโชคดีแล้วเป็นโอกาสดีแล้วยังมีโอกาสที่จะศึกษาสนใจธรรมะฟังธรรมะถึงไม่รู้ไม่เข้าใจก็ฟังไปก่อนอย่างน้อยได้บุญฟังไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องจาได้แต่ฟังอย่างเดียวยังไม่เพียงพอดูแต่แผนที่ไม่ลงมือเดินทางมันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกลองฝึก ลองฝึกปฏิบัติดูฝึกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมีโอกาสก็ปรีกตัวไปปฏิบัติไม่มีโอกาสก็พยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรา